วันนี้คนจีนมาเยอะนะางานศพชีวิเย็นนะคนที่ช่วยแปล ى, พปุกบปับตายนี่กว่าไม่แน่นอนของชีวิตมีเยื่อหุ้มสมองอเสพติดเชื้อแบคทีเรียนะเป็นหนองในเยอะ เยอะ บ, บูสมองมีอาการปวดหัวคนตายง่ายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะยังช่วยแปลภาษาจีนให้หลวงพ่ออยู่มีคนจีนมากลุ่มหนึ่งนะเขามาช่วยแปลทั้งๆ ท, ที่ปวดหัวอยู่คนย้อนนึกไม่ถึงว่า มเป็นมากวันพุทธก็ตายแล้วหลว่อเคยเจอแบบปลับปรับอย่างนี้นึกไม่ถึงนะหลายลายแล้วมีลายหนึ่งเป็นแม่ครัวอยู่วัดสาขาของหลวงพุทธเจอล้มกำลังกินข้าวนะแล้วล้มไป แล้วอาหารเข้าหลอดหลมหายใจไม่ได้ห้านาทีก็ตายแล้วเพราะพระพุทธเจ้าท่านเปรียบร่างกายของเราเนี่ยเหมือนหม้อดินรู้จักหม้อดินไหมเดี๋ยวนี้เรามีหม้อสแตนเลสถ้าเคยเห็นหม้อดินถือไม่ดีก็แตกละแตกง่ายบอกร่างกายเรา ที่ว่าดูแข็งแรงเหมือนเหมือนมอนดินกระทบอะไรนิดเดียวก็แตกแล้วหนาวเกินไปร้อนเกินไปก็ตายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตายท่านเลยสอนพวกเราให้เตรียมใจเตรียมใจเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้ คนที่เรารักอาจจะตายเมื่อไหร่ก็ได้เพราะชีวิตเป็นของไม่แน่นอนแต่ความตายเป็นของแน่นอนวิธีที่จะเตรียมตัวก่อนตายนั่นคือถ้าพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นไปได้ก็ทำด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาสะสมไป ยิ่งได้มรรคผลนะยิ่งดีจะปลอดภัยได้โสดาบันอะไรเงี้ยปลอดภัยในระดับหนึ่งเรียกระดับหนึ่งนะเป็นพระโสดาพระสกทาคาอนะไรเนี้ยปลอดภัยระดับหนึ่งคือไม่ไปเกิดในอายภูมิแต่ตอนที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย อกุศลอาจจะให้ผลเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามได้อย่างถ้าไม่เคยทำทานนะก็เกิดมายักจนถ้าไม่มีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรเคารพท่านว่าเกิดในตระกูลต่ำนะงั้นอย่างเป็นโสดาแล้วก็กลางอะไรนะเจอใครก็ไม่รู้จัก ไหว้เจอผู้ใหญ่กว่าเขาไม่ไหว้จะให้เขาไหว้ตัวเองอะไรเงี้อยอานนี้ก็จะไปทำจะให้ผลหลังจากการเกิดจะเกิดในตระกูลที่ไม่ดีหรือบางทีไปหัวล้อยยอคนอื่นเขาเรียนธรรมะแต่โง่ๆเรียนไม่ได้สักทีหัวล้อยยอเขา ไปเกิดอีกตัวเองเรียนธรรมะยากนหะทั้งๆ ท, ที่เคยได้นะเคยมีบารมีมากนะกว่าจะก้าวไปแต่ละขั้นแต่ละขั้นก้าวไปลำบากง้นเป็นพระโสดาพระสกทาคาอะไรก็รยังประมาทไม่ได้อย่าไปทำคำชั่วเรื่องคนประมาที่คิดจะไม่ถือศีล ศีลอัตโนมัติมไม่ต้องถึงไพรนั้นจิตผิดนี่พวกเราเตรียมตัวของเราพยายามรักษาศีลของเราให้ดีรักษากายรักษาวาจาของเราให้สะอาดเรียกว่ามีศีลมีความจงใจมีเจตนาที่จะงดเว้นการทําบาป ทำชั่วทางกายทางวาจาไม่พูดชั่วไม่พูดชั่วเป็นไงไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียส่อเสียคือพูดให้เขาทะเลาะกันทุกวันนี้ส่อเสียดง่ายนะเขียนอินเทอร์เน็ตกันนะเ Facebook เขียนอะไรเนะี่ยส่อเสียดง่ายให้คนเขาตีกันพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบพูดเพอเจอร์ พูดคำหยาบคำหยาบไม่ใช่แค่ว่าด่าพ่อระแม่ถ้ามันเป็นคำติดปากเนี่ยยังไม่ใช่ตัวนี้นะคำหยาบเช่นไปว่าเขาไปด่าเขาเนี่ห ย, ยาบคายนะแต่ถ้าคุยกับเพื่อนนะพ่อมึงอย่างนั้นพ่อมึงองอันนี้เป็นคำปกติไม่ใช่คำหยาบแต่ปกติของไอ้คนเนี้ยนะ มันไม่ได้มีเจตนาชั่วร้ายอะไรมันติดปากมันเหมือนมีพระราหารองค์หนึ่งนะเจอใครท่านก็เรียกไอ้ถอยท่านติดปากเคยชินอย่างเจอโยมเนี่ยไอ้ถอยว่าไงสบายดีแล้วพ่อมึงเป็นยังไงอย่างหลวงพ่อขุดนะหลวงพ่อขุดนะไม่ถือว่าพูดคำหยาบนะพ่อมึงเป็นไงอย่างเงี้ยนะไอ้หัวล้านมันไม่ให้กูพูดอย่างเงี้ยนะ อย่างนี้ไม่ใช่ไ ม, ไม่ได้ผิดเป็นคำเคยฉินของท่านอย่างนั้นพูดเผอิจฉ์อันนี้โดนเต็มๆนะศีลเรื่องมูสาวาสพูดเท็จพูดส่อเสียดคือพูดให้เขาตีกันพูดคําหยาบพูดเผอิจฉ์ทุกวันนี้อินเทอร์เนต็ตทําให้เราส่อเสียดง่ายยุให้คนนู้นคนนี้ตีกัน แล้วก็เพอร์เจอร์เพอร์เจอร์เป็นยังไงเพอร์เจอร์หมายถึงไม่จำเป็นต้องพูดก็พูดรวมทั้งพิมพ์ด้วยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้พูดเพอร์เจอร์แต่พิมพ์เพอร์เจอร์นะงันศีนยังไม่ดียังไม่ดีก็รู้ตัวซะแล้วพัฒนาให้ดีศนะีนทางกาย ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนสัตว์อื่นทางร่างกายเขาทรมานเขาแกล้งเขาให้เจ็บปวดอะไรอย่างนี้กักขังเขาเพื่อานี้นี้ก็เสียศีลทีเลี้ยงสัตว์นะเลี้ยงสัตว์โอโหขึ้นมาก็เตีอะไรยวงนี้ ตีเสร็จแล้วก็กลับไปปลอบโอ้โอนะอะงี้ตอนมโมโหขึ้นมาก็ไปตีไม่ใช่เหมือนตีคนนะอย่างพ่อแม่ตีลูกครูบาอาจารย์ตีลูกศิษย์นะตีสั่งสอนแต่เดี๋ยวนี้สังคมก็ไม่ยอมรับแล้วสมัยก่อนนะีคนเข้ามาเกเรในวัดนะี่สมภารจับเอามาเคี่ยนได้นะเขาเรียกอาญาวัด เดี๋ยวนี้คือไม่แค่จับตัวมันก็โดนข้อหาทำให้เสียอิสรภาพบิตีมันก็ทำร้ายร่างกายทำไม่ได้สังคมมันเปลี่ยนเราไปทำร้ายร่างกายคนอื่นก็ผิดศีลเราไปทำร้ายทรัพย์สินของคนอื่นประทุสลายทรัพย์สินของคนอื่นก็ผิดศีลเราไปทำร้าย แย่งชิงคนที่เขารักของที่เขารักก็ผิดศีลแย่งคนรักเขาเดี๋ยวนี้อย่างพ่อแม่รักลูกสมัยก่อนจะอยากได้ลูกสาวเขาก็าต้องไปขอหรือถ้าอินเดียอยากได้ลูกชายคนอื่นเขามาเป็นสามีลูกสาวเราก็าต้องไปสู่ขอ มีคนไทยหลายคนนะผู้ชายไทยอ่ะรู้สึกอยากไปเกิดอินเดียให้ผู้หญิงมาขอจนะได้ไม่ต้องเสียค่าสินสอดจะได้ได้เงแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เป็นละเดี๋ยวนี้เสมอภาคกันผู้หญิงเป็นแม่บุญทุ่มก็มนะีผู้ชายธรรมหากินไม่ค่อยเป็นเยอะเอะ<ม>กาะผู้หญิงไป เนี่ยประทุสลายชีวิตร่างกายคนอื่นสัตว์อื่นประทุสลายทรัพย์สินของเขานประทุสลายคนที่เขารักเนี่ยผิดศีลข้อหนึ่งข้อสอ ง, ข, อสองข้อสานั่นต้องรักษาเน้สำรวจตัวเองรักษาศีลให้ดีศีลข้อสุดท้ายข้อห้าเรื่องอยาเสพติดทั้งหลายทำให้เราขาดสติ สังคมก็เปลี่ยนไปนะยุคหนึ่งไข่ไขก็สูบกัญชากินกัญชายุคหนึ่งก็ห้ามยุคนี้รงน์รงว่าดีอีกแล้วนะฟังเวียนหัวดีเหมือนยุคหนึ่งบอกให้กินไข่กินไข่บัลาฟองไม่ต้องเรียกหาหมอเนี่ยสมัยจําพลปอยุคหนึ่งกินไข่ไม่ไดนะ้ยุคนี้บอกกินได้อีกแล้ว นักวิยาศาสตร์พูดจาพลิกไปพลิกมาเชื่อยากไม่เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้านะจีพันปีแล้วก็เทียงไม่ออกความรู้ในโลกกลับกร อ, อกเชื่อไม่ได้นี่เราสำรวจตัวเราเองนะศีลอะไรของเราอย่างไม่ดีก็รปรับซะพัฒนาซะจงใจตั้งใจรักษานี่เป็นการเตรียมตัวตายนะ ถ้าศีนเราดีจริงๆไม่ด่างพลอยเนะี่ยโอกาสที่จะมาเป็นมนุษย์เป็นเทวดาอนะไรเียมีเป็นได้มีธรรมะของมนุษย์แล้วคือมีศีลแล้วถ้าเราพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นไปอีกจนกระทั่งละอายแก่ใจที่จะทำผิดทำบาปทำผิดศีลแล้วก็เกรงกลัวผล ของการทำชั่วละอายใจที่จะทำชั่วละอายใจที่จะทำชั่วหมายถึงว่ามันละอายตัวเองนะไม่กล้าทำชั่วถ้าหยาบขึ้นมาหน่อยมันละอายคนอื่นเวลาจะขโมยแล้วคนอื่นเห็นแล้วอายอย่างนี้อย่างไม่คุณภาพอย่างไม่สูงมีโอกาสขโมยก็ไม่ขโมยนะเพราะละอายแก่ใจตัวเองอย่างนี้เรียกว่ามีฮิริ จิต ท, ที่มีฮิริโอตปามีศีลนะมีโอกาสเป็นเทวดามีโอกาสเรียกมีเทวธรรมมีฮิริโอตปาหรือเราพัฒนาต่อไปให้จิตเราทรงสมาธิจิต ท, ทรงฌานมัก็จะขึ้นไปพรมโลกได้งั้นเราก็มาพัฒนาตัวเองศีลอย่างไม่ดีก็พัฒนาให้ดีซะสำรวจตัวเองไม่ต้องให้ใครบอก โตจงป่านนี้เราก็รู้หรอกว่าอะไรผิดศีลอะไรไม่ผิดศีลสมาธิฝึกได้ควรจะฝึกลำพังมีทานมีศีลอะไรเนี่ยเป็นคนได้เป็นเทวดาได้นะแต่ถ้ามีสมาธิดีเนี่ยเป็นพรหมได้แต่ส่วนใหญ่คนไม่อยากเป็นพรหมหรอกเป็นพรหมตัวภัพไม่มีเมียนะผู้หญิงขึ้นไปพรหมโลกพรหมโลกไม่มีเพศ ไม่มีผู้หญิงผู้ชายไม่มีกามอยู่ด้ความสงบสุขของจิตใจนะย่งั้นอย่างพระเนี่ยมาอยู่พระประพฤติพรหมจันทร์จริยาวัดแบบพรหมแบบผู้ไม่มีเพศนะไม่ใช่ตุดแต่ว่าอะไรนะตุดแต่มีเพศเรียกเพศที่สา ม, นะ น, มนี่พรหมเนี่ยไม่มีเพศ คือไม่ไม่ได้ติดกติดใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นไปนมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะมีความสุขหรออบางคนบอกมันไม่น่าจะมีความสุขนะถ้าไม่มีเรื่องเพศมันมีความสุขที่เหนือกว่ากันเยอะเลยจิตสงบเนี่ย น, นะมันชื่นฉ่ำอย่างเวลาเราทำสมาธิจิตรวมไปทีหนึ่งนะมันชื่นช่อยู่ได้ตั้งหลายวันบางที มันเย็นฉ่ำนะสบายแต่ถ้าอยู่ในที่อากาศหนาวในจิดรวมลงไปนะั้นมันอบอุ่นมันสบายไม่งั้นเดี๋ยวคนจากประเทศหนาวไม่เอาสิตรวมแล้วหนาวยิ่งกว่าเก่าอีกไม่ใช่มันจะปรับให้เราเองม่นมีความสุขอยู่ในตัวเองอย่างเวลาเราใครเคยไปเข้าห้องตรวจร่างกายที่ต้องถอดเสื้อไหม ในโรงพยาบาลเนี่ยตั้งอุณหภูมิประมาณนะยี่ิบสองเย็นเชียบในห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยบางทีต่ำกว่านั้นอีกต้องไปนอนเปิดหน้าอกอะไรเงี้ยหนาวหนาวอย่างนี้แล้วก็ไม่มีที่พึ่งด้วยเสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้นะผ้าห่มก็ปิดไม่ได้ต้องเปิดหน้าอกไว้แล้วก็เอาน้ำยา ค้าเชื้อมา่าน้าอกเราน้ำยาเ็าอยู่ในห้องผ่าตัดเย็นเจี๊ยบเลยนี่เย็นกำลังสองเลยใครเคยบางทีไปตรวจร่างกายนะเขาก็ทำเหมือนกันหนาวอย่าเยือกเลยทำไงดีถ้าเรามีสมาธิดีนะเราก็นึกถึงไฟนึกถึงไฟนะหรือนึกถึงครูบาอาจารย์ นึกถึงพระพุทธรูปไปเลยที่เรานับถือก็ร้องเรียนไปแล้วเราหนาวมากเลยนะความร้อนก็จะมาสวาร้อนก็จะมาเราก็จะ อ, อยู่ได้เนี่ยพระประฐานองค์นี้คุณแม่เเคยไปตรวจร่างกายนะหนาวมากเลยอยู่โรงพยาบานลนึกถึงหลวงพ่อคะ หนาวค่ะก็อุ่นขึ้นมาเลยนะอุ่นเลยเนี่ยใจที่มีสมาธินะทำอะไรได้แปลกๆมีพระองค์หนึ่งก็ไปอยู่ในถ้ำบนภูเขาแถวเพชรบูรณ์แถวอะไรเนะหนาวมากนะไม่รู้จะรอดไม่รอดนึกถึงหลวงพ่อนึกถึงหลวงพ่อนะบอก ท่านมันจมาเล่านะอกหายใจออกมาเนี่ยนะเหมือนไฟพุ่งออกมาเหมือนไฟพุ่งออกมาจิตของท่านเองนะไม่ใช่หลวงพ่อเก่งอะไรหรอกนึกถึงครูบาอาจารย์ก็เป็นสังขานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติจิตวิ่พลังขึ้นมาทําอะไรได้แปลกๆเอาตัวรอดใจทําไมต้องมาเล่าเรื่องอย่างนี้เพราะปกติคนไม่อยากฝึกสมาธิไม่อยากไปพรหมโลก เราก็เอาของหลอกเด็กมาล่อเห็นไหมฝึกสมาธิเราเจ๋งนะไม่ธรรมดานะเวลาเราไปอยู่ในถ้ำหรืออยู่ในที่จำกัดอย่างเราขึ้นรถทัวร์นะมันไม่มีหน้าต่างอนะ่ะมันติดกระจกหมดเปิดไม่ได้แล้วแอร์มันเสียนะเนี่ยถ้าเรา ไม่มีสมาธินั้นก็จะต่างตายบันคงวกแตกวกแตนนะั้ทรมานมากหลายๆชั่วโมงเนะี่ยทรมานถ้ามีสมาธินะก็กําหนดจิตลงไปนะกําหนดลงไปที่กระจกรถนะ่ให้มเป็นช่องว่างนะทะลุกระจกออกไปเลยครูบาอาจารย์ถึงขนาดทะลุภูเขาเลยนะท่านอยู่ในถ้ำเนี่ยท่านทะลุถ้ำออกไปเลยด้วยพลังของจิต กระจกไม่แตกหรอกนะถ้าจะทะลุแล้วให้กระจกแตกนะไม่ต้องไปเข้าสมาธิเราถีบมันทีหนึ่งก็แตกนี่กระจกก็ไม่แตกนะแต่ว่ามีความรู้สึกนะลมโชยพิ้วเข้ามาได้ตลอดเวลาเลยนะนี่เรื่องของสมาธนะิมันเป็นเกษินนั่นเองเกสินช่องว่างทำให้เกิดช่องว่างในที่อาปอับแล้วก็ยังอยู่ได้อีกนานเลย พอเช้ามาถึงกรุงเทพลงจากรถทัวรนะ์สดชื่นเหมือนนอนพักมาเต็มอิ่มเลยในขณะที่คนอื่นนะั้นแทบจะคลานลนมานะสะบบับสบอมเกือบตายเองนี่เรื่องของสมาธินะงั้นฝึกได้ก็ฝึกไว้สมาธิมีประโยชน์มากนะนนแรกเลยทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันที่สองทำให้เกิดญาณทัศนะ าาบางส่วนเป็นโลเกียเป็นของเล่นยานทัศนะที่ดีคือในส่วนของวิปัสสนาญาณเนี่ยมีกำลังของสมาธิถ้าจะเป็นสมาธิแบบของเล่นันก็เป็นใช้อารมณนปนิชานเพ่งอารมณ์ถ้าจะใช้เดินวิปัสสนานก็ใช้จิตตั้งมั่นเรียกลักขณูปนิชานฌานที่ทำให้จิตตั้งมั่น ทำประโยชน์ได้หลายอย่างแล้วอย่างถ้าเราเข้าสมาธิมาเนี้ยสติสมัมปชัญญะของเราจะดีเราะฉนั้นสติสมัมปชัญญะดีจิตเป็นผู้รู้อยู่ทั้งวันเลยจิตที่มันชำนาญในสมาธิมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้หลายวันแล้วก็มันเจ็ดวันได้ประมาณแล้วไม่แค่เสื่อมถ้าทำสมาธิอีกมัทรงอยู่ได้อีกหลายวันเะนั้น สมาธิก็ทำให้เกิดสติสัมปชัญญะขึ้นสมาธิเป็นอุปกรณ์ล้างอาสวะกิเลสเวลาที่เกิดอริยมรรคนะงั้นคุณประโยชน์ของสมาธิสประการอันหึ่งทให้มีความสุขอยู่ในปัจจุบันนะสมาธิที่ให้ความสุขในปัจจุบันนะคืออารามณูปนิชานอยู่ในอารมณ์เดียวมีความสุขในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดยานทัศนะอันนี้มีสองส่วนส่วนที่เป็นโลกีะนะใช้อารามณูปนิชานได้ส่วนที่จะเป็นมิปัสสนาญาณจะขึ้นไปสู่โลกุตละเนี่ยนใช้ลักขณูปนิชานเห็นไตรลักษณ์สมาธิชนิดตั้งมั่นส่วนที่จะทำให้มีสติสัมปชัญญะคือสมาธิชนิดตั้งมั่นส่วนนี้ทำให้สิ้นอาสวะคือสมาธิชนิดตั้งมั่น งานสมาธิชนิดสงบแนวรมันเดียวนี้เอาไว้มีความสุขนะก็เอาไว้เล่นเอาไว้เล่นอะไรต่างๆส่วนสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยเอาไว้ทํำมิปัสสนานะเอาไว้เจริญสติสัมปชัญญะก็เอาไว้ล้างกิเลสนะตอนที่เกิดอริยมรรคอันสุดท้ายเนี่ยเป็นสมาธิในโลคุตละนะเป็นสมาธิในระดับโลกุตละ ส า, สามส่วนแรกนะเป็นสมาธิในส่วนของโลกิยาอยู่แม่สมาธิก็มีเรื่องให้เรียนเยอะแยะสนุกออกถ้าไมจะไม่เรียนไม่เรียนก็โง่ละของดีขนาดนี้ไม่เอาไเปเอาอะไรวันวั น, วนดูหนังฟังเพลงเล่นเน็ตเล่นไลน์เล่นไอจีอะไรเนี่ยนหะาสาระไม่ได้มีรูปเพื่อเอาไปหลง ก็ก๊อบกันไปก๊อบกันมานั่นแหละถ่ายเองซะที่ไหนนะฝึกศีลของเรานะฝึกสมาธิวิธีฝึกสมาธิสมาธิมีสองอานอเขสอนไว้บ่อยๆอารมณูปนิชานน้อมจิตนะที่สบายๆไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่สบายๆ รักขณูปนิชฌานเนี่ยทำกรรมฐานไว้อย่างหนึ่งแลพอจิตมันถล่มลงไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานอันนั้นเราก็รู้ทันจิตมันสายออกไปข้างนอกเราก็รู้ทันรู้ทันพฤติกรรมของจิตแล้วจะได้จิตตั้งมั่ น, นความดีสูงสุดคือปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นของสูงสุด อาศัยสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติสัมปชัญญะอยู่สติสัมปชัญญะสัมปชัญญะก็คือไม่หลงลืมตัวเองลืมหน้าที่การงานของตัวเองการงานของเราคือกรรมฐานต้องไม่หลงไม่ลืมนะไม่ใช่เผลอเลออ้าวตายหาวันนี้ลืมนั่งสมาธิอะไรเงี้มึงตายหงมากกว่านะไม่ใช่ตายหาไม่ได้ไปกินอะไรนะ ใช้ไม่ได้นี่ไม่ได้พูดคําหยาบนะนี่เป็นคําเคยชินหลวงพ่อไม่ใช่คนพูดเพล้อหรอกอยู่กับเพื่อนเนี่ยด่าพ่อกันนะแต่ไม่ไม่ไม่ได้ด่าหยาบคายนะเรียกเหมือนว่าพ่อมึงเรียกอย่างเงี้ยะมือนก็ว่าพ่อเราเหมือนกันเราก็ต้องเอาคืนนะเคยนะไปที่บ้านเพื่อนตะโกนเรียกเพื่อนชื่อวินัย พ่อมันชื่อชานอยู่โรงเรียนเราเรียกมันไอ้ชานตลอดเนี่ยถึงหน้าบ้านมันตะโกนไอ้ชานโว้ยอยู่ไหมพ่อมันตะโกนอยู่โว้ยไม่ใช่คำยับนะเป็นคำทักทายยามรักษาศีล น, นะฝึกจิตใจฝึกให้สงบสบายไม่ได้ก็ฝึกให้ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นสำคัญที่สุด เป็นของจำเป็นส่วนจิตสงบนะเป็นของที่ควรมีไม่ถึงระดับว่าจำเป็นขอขาดบาดตายแต่ถ้ามีแล้วมีความสุขมีแล้วมีกำลังที่จะเจริญปัญญาได้ง่ายงั้นฝึกจะให้จิตสงบก็คือใช้จิตใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียว จิตก็ไม่ใ ส, สายไปหาอารมณ์น้อนอารมณ์นี้จิตก็สงบนะแล้วถ้าจะให้จิตตั้งมั่นก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นพุโทโธแล้วหายใจอะไรเงี้ยหรือบริกรรมเมตตาคู่นั่งอะไรเงี้ยอะไรก็ได้ที่มีความสุขนะแต่ว่าไม่เอาความสุขเป็นตัวตั้งแต่คอยรู้ทันพฤติกรรมของจิต เรียนหายใจไปแล้วจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ทันหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้ทันรู้ทันจิตที่สายไปใส่มาจิตจะตั้งมัานขึ้นหรือไม่สายโดยที่ไม่ได้บังคับมันเป็นเองนะพอเรามีจิตที่ตั้งมั่นแล้วคราว น, นี้เราจเจริญปัญญามีสติคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกาย มีสติคอยรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในจิตใจอย่างร่างกายเราเนี่ยเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวก็ยืนเดี๋ยวก็เดินเดี๋ยวก็นั่งเดี๋ยวก็นอนเนี่ยดูไปมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะทําไมหายใจออกหายใจเข้าดูสินะเพราะมันไม่เที่ยงหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงทําไมต้องเปลี่ยนยียาบท accomplish? เพราะมันเป็นทุกข์ นั่งนานมันเมื่อยเดินนานมันเมื่อยยืนนานมันเมื่อยนอนนานมันเมื่อยก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถหรือรู้ความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งของกายมันเคลื่อนไหวในอิริยาบถแปลกๆในท่าทางแปลกๆเป็นอิริยาบถย่อยๆแปลกๆอันนี้เวลาจะไปดูไม่ต้องไปดูทีละคลิก ๆ, ๆอย่างนี้เคร่งเครียดดูองค์รวมเลยเนี่ยตัวนี้ทั้งตัว มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเคลื่อนไหวเหมือนหุ่นยนต์ดูนัตตาไปเลยนะงั้นอาณาปณะสตินะเราจะดูอ น, นิจจังง่ายนะอิริยาบถดูอ น, นิจจังยากเพราะนั่งทิงหลายชั่วโมงได้นะเราดูตัวทุกขังมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถนะดูร่างกายขยับร่างกายหยุดนิ่งเนี่ยดูภาพรวมไปเลยเราะงั้นมันขยับอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะ เราจะมาดูทีละรูปร่างอย่างเงี้ยประสาทกินดูภาพรวมเลยเนี่ยภาพรวมเลยว่าไอ้ตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยไม่ใช่เราหรอกเนี่งินตัวสัมปชัญญะบัพเพะในกายานุปัสสนาเนี่ยดูนักตาเข้าไปเลยนดูง่ายๆจิตใจเราก็ดูไปจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยง ดีก็ไม่เที่ยงโลภโกรธหลงฟุ้งซ่านหดหูก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้นี่เรื่อ ก, การเจริญปัญญานะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของร่างกายเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของจิตใจเฝ้ารู้เฝ้าดูไปจิตใจดูง่ายอีกหมุมหนึ่งคืออนัตตาไม่เจ ต, ตนาจะรักมันก็รักไม่เจ ต, ตนาจะโกรธมันก็โกรธเจ ต, ตนาจะไม่โกรธนะมันก็โกรธอีกนะมันโกรธขึ้นมาแล้วเจ ต, ตนาให้หายมันก็ไม่หายอีก เนี่ยไม่มีอะไรที่เราบังคับได้ตรงที่บังคับไม่ได้เนี่ยเรียกว่าอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจเนี่ยพอเรามีใจตั้งมั่นเป็นคนดูแล้วเราก็ดูไปร่างกายนะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาส่วนกายเนี่ยส่วนที่ดูง่ายจริงๆคือตัวทุกข์ร่างกายเรามีความทุกข์บีบคั้นเยอะแล้วก็เป็นตัวไม่ใช่เราเป็นวัตถุเห่งข้อท้าทา ในส่วนของจิตใจตัวที่ดูง่ายคืออนิจจังนะการอนัตตาไม่ใช่เราทุกขังดูยากจิตมันเปลี่ยนอารมณ์เร็วอนะย่าไม่ทันทุกข์ให้ดูมันับเปลี่ยนไปแล้วหรือเวลาไปเข้าฌานทรงอยู่ในอารมณ์เดียวจะไปดูว่าทุกข์นดูไม่ออกนะมันเห็นแต่สุขนะดูยากตัวทุกข์ในจิตเนี่ยตัวทุกข์ในกายดูง่ายตัวทุกข์ในจิตดูยากกว่า ความเป็นอนัตตาดูได้ทั้งกายทั้งจิตความไม่เที่ยงเนี่ยในกายดูยากกว่าจิตร่างกายมันเกิดดับช้ากว่าจิตจิตเกิดดับรวดเร็วดูว่าไม่เที่ยงง่ายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานี่เรียกว่าเจริญปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสม่าเสมอเนี่ยเราพร้อมจะตายถึงยังไม่ได้โสดาสกทาคาแต่ว่าพร้อมละ คุณงามความดีทั้งหลายทําได้ก็ทําไปชุยเย็นไปด้วยความพร้อมทําได้ดีเฉลี่เนงะงั้นพวกเรานะอย่าประมาทในชีวิตความตายมาถึงเราหรือคนที่เรารักเมื่อไหร่ก็ได้เพรานั้นเราต้องฝึกเวลาความตายมาถึงตัวเองไม่หวั่นไหวนะความตายมาถึงคนที่เรารักก็มไม่หวั่นไหว ทุกอย่างในโลกนี้เกิดแล้วต้องดับนี่คือธรรมดาหรือคือธรรมะนั่นเองคือธรรมดาถ้าใจยอมรับความเป็นธรรมดาใจจะไม่ทุกข์ใจยอมรับความเป็นธรรมดาคือความจริงไม่ได้ใจก็จะทุกข์ยุี่ธรรมนะอยู่ที่ฝึกตัวเองฝึกจนยอมรับความจริงได้ก็ไม่ทุกขนะ์เวลาความจริงปรากฏเราไม่ทุกข์ ถ้าอยอมรับความจริงไม่ได้เพราะความจริงปรากฏเราก็ทุกข์ความจริงเช่นเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายสิ่งใดที่เกิดสิ่งนั้นต้องดับนี่คือความจริงไปกินข้าวไปนิมนต์นะครับ